ดินไหวที่ตุรกีแล้วก็ซีเรียรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มันสร้างความเสียหายมากมายเลยนะเป็นสงครามนรกรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะคนตายนี่ตอนนี้ก็เหยียบสามหมื่นคนเข้าไปแล้วส่วนใหญ่ที่ตายนี่เพราะตึกถล่มนะตึกที่สูงหลายสิบชั้นเนี่ยที่อาศัยของผู้คนนี่มันถล่มลงมารวมทั้งบ้านเรือนนะสองสามชั้นนี่ก็ไม่เหลือไม่งงินนะ เพราะแผ่นดินาแผ่นดินไหวนี่มันรุนแรงมากดน้นช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยภารกิจเร่งด่วนก็คือการค้นหาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ใต้ซากปรากหักพังเนี่ยซึ่งเป็นงานที่ยากมากอาทิตย์ที่แล้วนี่มันมีหน่วยกู้ภยัยทีมหนึ่งนะเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตในบ้านหลังหนึ่งนะ เป็นบ้านของหญิงสาวแล้วก็มีครอบครัวอยู่พอสมควรวก็เจอแต่ซากปราหักพังนะกองทับถม ห, หัวหน้าทีมกู้ภัยเนี่ ย, ยก็สังเกตนะว่ามันมีรอยแยกที่กำแพงแล้วก็กองหินก็มองเข้าไปพยายามมองสองเข้าไปก็เห็นใต้กองหินเนี่ยมันมีร่างผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังคุกเขา่าท่าทางมือ ก, กำลังทำละหมาดละหมากคือสวดมนต์แล้วก็ในมือก็ถืออะไรบางอย่างวินาทีคนนั้นก็พยายามที่จะยื่นมือเข้าไปในรอยแยกแคบๆคน แ, แล้วก็ลองสัมผัส ต, ตัวของผู้หญิงคนนั้นดูแต่ปรากฏว่าตัวนี่เย็นชืดเลยนะแปลว่าเสียชีวิตไปแล้วแล้วคงเสียชีวิตไปหลายชั่วโมงแล้วทีมกู้ภัยก็เลย าลาจากบ้านหลังนั้นไปเพื่อไปค้นหาคนที่ยังพอมีชีวิตยอยู่นะที่บ้านหลังอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะและทีมกู้ภัยก็มีน้อยแต่จู่ๆเนี่ยวันนาทีม น, นั้นเนี่ยแกก็เกิดสองหอนใจก็วกกลับไปที่บ้านหลังเดิมแล้วก็พยายามที่จะสำรวจ ว่าสำรวจผ่านรอยแยกแคบๆนั่นน่ว่ามันจะมีร่องรอยของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมก็ไปสังเกตรอบๆร่างของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ลองสังเกตว่าใกล้นั้นเนี่ยมันจะมีไขรที่หลงเหลือที่พอมีชีวิตหลงเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็ โจโจ้ก็สังเกตเห็นนะว่าใต้ร่างของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยซึ่งกําลังคุกเขา่าทําท่าละหมาดเนี่ยมันมีเด็กอยู่นะดีใจมากเลยนะตะกนเลยมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่เด็กเนี่ยอยู่ในผ้าหม่มใต้ร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ใช้เวลานานอยู่เดียวนะกว่าจะรื้อเอาก้อนหินเนี่ย ที่สมกองอยู่รอบๆตัวแล้วก็เหนือตัวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะโดนก้อนหินทับจนตายนะแต่บอกว่าในพ้าห่มที่อยู่ใต้ร่างของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กอายุแค่สามเดือนหนึ่งแล้วก็หลับสนิทเลยนะโอ้ทีมกู้ภัยนี่ดีใจมาก เห็นในชัดเลยนะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยซึ่งคิดออกเป็นแม่ของเด็กเนี่ยพอรู้ว่าแผ่นดินไหวบ้านกำลังจะถล่มเนี่ยแกก็เอาตัวเนี่ยปกป้องลูกอาจจะรู้ว่าหนีไม่ทันละก็ตัวปกป้องลูกเอาไว้ด้วยการพุกเข่าแล้วก็เอาตัวเนี่ยเอาลูกเนี่ยมาอยู่ใต้ร่างของตัว ก็อกว่าสามารถที่จะช่วยชีวิตลูกน้อยได้ด้วยการเอาช่วยของตัวเองเนี่ยนะสละเพื่อลูกเนีทีนี้มันทับลงมานี่มันทับร่างของผู้เป็นแม่นะแต่ว่าเด็กนี่ปลอดภัยและทีมกู้ภัยยังพบนะว่าในาผ้าหมนั้นเนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถือ อยู่ใกล้ๆล่างของอยู่ใกล้ๆตัวเด็กโทรศัพท์มือถือน้ำเขียนข้อความว่าถ้าหนูรอดให้รู้นะว่าแม่เนี่ยรักหนูโอ้โหหน้าทีมแล้วก็ทีมกู้ภัยนี่พอได้อ่านข้อความนี้แล้วก็เรียกว่าน้ำตาซึมเลยนะเพราะมันแสดงถึงความรักของแม่นะแม่เนี่ย ยอมที่จะ ส, ะสละชีวิตเพื่อลูกนะแล้วลูกก็ไม่รู้อิโนโหอินเนเลยนะหมายความว่าทั้งที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ว่าลูกเนี่ยก็รับแบบสงบเลยสบายไม่รับรู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าแม่นี่จากไปละแต่ถ้าโตขึ้นนี่ก็ก็คงจะรู้นะว่าแม่นี่สละชีวิตเพื่อลูก อันนี้ป็นการแสดงถึงความรักที่ยิ่งใหญ่นะในความรักที่ยิ่งใหญ่นี่มันไม่มีอะไรเกินความรักของแม่นะที่มีต่อลูกในยามที่เกิดวิกฤตนี้แม่ไม่ได้คิดถึงชีวิตตัวเองเลยนะที่แต่ว่าทำยังไงเนี่ยจะรักษาชีวิตของลูกให้ปลอดภัยและพร้อมที่จะเอาร่างของตนเนี่ยปกป้องชีวิตของลูกเอาไว้ ในความเป็นแมน่มันยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆความรักของแม่เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะในมนุษย์นะสัตว์กำนวนมากนีนก็มีความรักลูกนี่ชนิดที่เราพร้อมจะสละชีวิตได้เหมือนกันนะอย่างเช่นกวางเนี่ยนะเวลามันเห็นเสือเนี่ยจะขยุมลูกของมันเนี่ยพราะลูกของมันเนี่ยวิ่งช้าเนี่ย กวางตัวแม่นี่จะส่งเสียงเลยเรียบเรียกใครนะเรียกช่เรียกเสือให้หันมาสนใจตัวมันแล้วก็ให้เสือมาไล่ล่ามันแทนเพื่อที่ให้ลูกมันปลอดภัยหรือเวลาคนเราเนี่ยนะไปไปหาไข่หรือไปหานกรูปนกเนี่ยแม่รู้นี่นะนะจะส่งเสียงร้องเลย ดึงความสนใจของคนเนี่ยให้ไปที่ตัวแม่รู้ว่าทำแบบนั้นอาจจะตายแต่ก็เพื่อความอยู่รอดนะของลูกเช่นเดกับแม่กวางก็รู้นะว่าตัวเองต้องตายแต่รู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยลูกอาจจะรอดได้จังกงเล็บของเสือในความรักของแม่เนี่ยยิ่งใหญ่เช่นที่เรียกว่ายอมที่จะสละชีวิตเนี่ยเพื่อลูกได้ไม่ว่าคนหรือว่าสันนี่ก็มีสิ่งนี้ แต่มนุษย์นี่มีสิ่งที่ดีกว่านะตรงที่ว่ามนุษย์นี่มีปัญญาแล้วก็รู้ว่าเนี่ยแค่ลูกอยู่รอดปลอดภัยยังไม่พอนะลูกต้องเป็นคนดีด้วยลูกต้องเป็นคนดีสนะัตว์เนี่ยมันก็ทำหน้าที่สละชีวิตเพื่อลูกให้ลูกปลอดภัยแต่ว่าการที่จะสอนลูกให้เป็นให้มีความดีมันคงจะไม่มีในหัวของสัตว์แต่มนุษย์นี่มีนะ เพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ช่วยให้ลูกปลอดภัยแต่ว่าพร้อมที่จะเสสละเพื่อให้ลูกเป็นคนดีด้วยเพราะรู้ว่าการเป็นคนดีเนี่ยหรือความดีเนี่ยมันจะช่วยปกปักรักษาลูกให้มีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ลูกปลอดภัยมีชีวิตรอดนี่แม่ยังไม่มีความสุขเท่ากับการที่ลูกเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมนะและเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้มากกว่ า, าสัตว์ทั้งหลาย คือช่วยให้ลูกเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่รอดนะแต่ว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วย